พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงวาระแห่งการพิจารณาพร้อมด้วยอุปการ ะ, ะธรรมทำเกื้อนหนุนกันของพิสุผู้ปรารบวิปัสนาโดยสังเขปแล้วบัดนี้เมื่อจะแสดงถึงความไม่ดูแคลนต่อการปฏิบัติของผู้ตื่นอยู่อย่างนั้นจึงตรัสว่าชาครัสะพิขเวพุกคุโนการยึดถือสติสัมปชัญญะในการประกอบความเพียร น, นั้นนำมาซึ่งความบันเทิงและความเลื่อมใสนะถ้าปฏิบัตินะครับ เอาถือเอาสติและสัมปชัญญะในการปฏิบัตินี่นะครับผลที่ได้รับคือบันเทิงบันเทิงก็คือองค์ธรรมได้แก่ปีตินะครับและก็ศรัทธาเลื่อมใสคือศรัทธาอันจําปรารถนาในที่ทั้งปวงการถือเอาห้องแห่งวิปัสสนาอันถึงความแก่กล้าแล้วเชื่อวิวปัสสนาตามควรสมควรแก่กาละในการประกอบกรรมฐานนั้นเมื่อวิปัสสนาญาณกล้าแข็งดําเนินไปตามวิถีพ้นจากอุปกิเลสแล้วนําไปอยู่ ความปราโมทยิ่งและความเลื่อมใสของพโยคีย่อมมีในที่ใกล้แห่งการบรรลุธรรมวิเศษด้วยความปราโมทและความเลื่อมใสนั้นนะครับสมนังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ายะโตยะโตสัมมะสติขันธานังอุทยยพยังลพติปีติปราโมทฉังอมตตังตังวิชานตังปาโมทชาพหูโลพิขุปะสั้นโนพุทธาสเน อาทิคัดเฉประดังสั้นตังสังขารูปรสมังสุ ข, ขังอันนี้คาถานิตรัสที่ไหนครับตรัสในเรื่องนะครับกลุ่มภิกษุที่เป็นโจรเก0าคนที่เป็นลูกศิษย์ของพระโสนะกุติกันนะครับพระองค์ก็แบ่งตรัสเป็นคนละชุดคละชุดคละชุดนะครับตรงนี้ยกข้อความมาจากคาถาธรรมบทนั่นเองนะครับเรื่องของพระโสนะกุติกันนะที่เป็นลูกศิษย์ของพระมหากัจจยนะนะครับ ทีนี้พระพิสุเหล่านั้นกําลังเจริญวิปั ส, สนาอยู่พระองค์ก็แป่งบรรัศมีไปนะครับอยู่เหมือนประทับอยู่ตอนหน้านแล้วพระองค์ก็ตรัดขาขาเหล่านี้นะครับที่บอกว่าเมื่อบุคคลพิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมแห่งขันทั้งหลายคือเห็นเกิดเห็นความเกิดและความเสื่อมนะครับขันทานางังอุทยพยังนะครับแต่ว่าสัมมสตินะต้องเป็นคนที่พิจารณานะครับพิจารณาความเกิดและความเสื่อมของขันทั้งหลาย ทีนี้ถ้าพิจารณาเหตุเกิดและความเสื่อมเนี่ยนะครับเมื่อ น, นั้นก็จะได้อะไรครับย่อมได้ปีติและปราโมทนะครับปีติและปราโมทนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นอมะตะของผู้รู้แจ้งนะทีนี้พิสูจผู้มากด้วยปราโมทอย่างนี้นี่นะครับเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาพึงบรรลุทางแห่งความสงบอันเข้าไปสงบสังขาร น, นำความสุขมาให้หมายคำ ว, ว่า พิจารณาพิจารณาเหตุเกิดและความดับของขันทั้งหลายเช่นรูปประคันจะเกิดเกิดด้วยอาการ5รูปประคันจะเสื่อมเสื่อมโดยอาการ5เวทนาขันจะเกิดเกิดด้วยอาการ5จะเสื่อมเสื่อมโดยอาการ5สัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็เกิดด้วยอาการ5นะครับแต่ละอย่างก็เสื่อมโดยอาการ5นะครับพิจารณาอย่างนั้นมากๆ ก, ก็จะได้ปีติและปรามโมทนะครับ ไอ้ปีติและปราโม ท, ที่ได้แบบนี้นี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นอมะตะของผู้รู้แจ้งนะครับหมายคือว่าเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความไม่ตายจริงๆนะครับของผู้พิจารณาแบบนี้ทีนี้ไอ้ปีติและปราโมทที่เกิดแบบนี้มากๆ ก, ก็จะเลื่อมใสในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นแจ้งรู้จริงในคําสอนอันเนี้ยนะทีนี้ก็จะบรรลุทางแห่งความสงบคืออะไรครับอริยมรรคนะครับก็จะเข้าถึงอริยมรรคนะครับพราะะ น, นอริยมรรคเนี่ยครับเป็น ทางแห่งความสงบอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็สงบอะไรครับสงบสังขารเพราะว่าอริยมรรคนี้เห็นพระนิพพานอันเป็นที่สงบเลยนะครับเพราะฉะนั้นจากคาถาเหล่านี้นะครับอธิบายหนึ่งะครับสัมมสาสัญญาอุทยพยาญาณแล้วก็อธิบายอริยมรรคแล้วก็นิพพานนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อคืนว่า อ, อ่านพระสูตรนะครับต้องพยายามสังเกตให้ดีว่า พุทธพจน์หรืออัตถกาถาตรงนี้เน้นอธิบายอะไรอยู่ตรงนี้เน้นอธิบายนี้สัมมสนญาณนะนี้อุทยพยานนะนี้ปีติปราโมทหลังจากอุทยพยานเป็นต้นนะนี้อริยมรนะนี้นิพานนะย่างไงสั์เหล่านี้ต้องเพ่งให้ออกนะครับให้รู้อัดรู้ธรรมอันนี้ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นรู้อัดรู้ธรรมเหล่านี้ก็จะทําให้เกิดปีติและปราโมทเป็นต้นนะครับในวิมุตติสูตรเนี่ยขับเน้นตรงนี้มากนะครับ คือเมื่อฟังเป็นต้นแล้วก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าโอ้นี่โนนี้ศีล น, นะครับเช่นชาคริยานุโยกเนี่ยนะครับโดยเน้นที่ที่ศีล น, นะครับชาคริยานุโยคเนี่ยนะเป็นคุณธรรมของผู้ที่มีศีลบริบูรณ์แล้วนะครับนะแล้วก็สติสัมปชัญญะสมาธิพวกนี้ก็เป็นสมถะและวิปัสสนาผลของการปฏิบัติก็ออกมาเป็นปราโมทหรือเรียกว่าปีติแล้วมีศรัทธานะครับแล้วก็มีการบริหารสมรถะวิปัสสนาให้เป็นไปยอย่าง อย่างถูกต้องในฐานะเจ็ดอย่างนะครับแล้วก็รู้จักข่มจิตในสมัยที่ควรข่มยกจิตในสมัยที่ควรยกเป็นต้นเนี่ยนะครับแล้วก็เน้นการพิจารณาความเกิดขึ้นและความดับไปให้มีปีติและปราโมทนะครับก็สามารถที่จะบรรลุอริยมรรคเห็นแจ้งพระนิพพานได้นะครับบทว่าชาคารันตาสุนาเทตังความว่าเธอทั้งหลายตื่นอยู่เพื่อตื่นจากความหลับคือความประมาท ความหลับเขื่ อ, อวิชาโดยส่วนเดียวเท่านั้นนะครับเขาบอกว่าถ้าตื่นจากความหลับนี่นะครับไม่ให้พวังเกิดนี่ไม่ยากแต่ว่าตื่นจากอาวิชชาเนี่ยยากจริงๆนะครับถามว่าตื่นจากอาวิชชานี่เป็นยังไงครับคือหมายคำ ว, ว่ารับอารมณ์อะไรต้องพิจารณาสิ่งนั้นๆโดยอริยสัจนะครับจึงจะเรียกว่าตื่นจากอาวิชชานะครับเอาคําสอนในเรื่องอริยสัจมาพิจารณากับทุกๆอารมณ์นะครับจึงจะเชื่อว่า ตือนจากอวิชชาครับตื่นจากความหลับเขือ่อวิชาเนี่ยนะครับคือประกอบด้วยความเพียรด้วยการขวนขวายธรรมะมีสติสัมปชัญญะเป็นต้นจงฟังคําของเรานี้นะในคาถานะในคาถาเนี่ยเขาบอกว่าเธอทั in ้งหลายตื่นอยู่นะครับคือตื่นด้วยตื่นจากอวิชชานะครับตื่นจากความประมาทเนี่ยนะถ้าเธอทั้งหลายตื่นอยู่อย่าง in นี in ้ in จงฟังคํานี้นะพวกที่ตื่นอยู่นะฟังคํานี้ว่า เธอเหล่าใดหลับแล้วเออถ้าไปหลับนะเธอเหล่านั้นจงตื่นความเป็นผู้ตื่นจากความหลับเป็นคุณนั้นประเสริฐเพราะภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่ถ้าตื่นจะไม่มีภัยเลยนะเช่นชาติภัยชราภัายก็จะไม่มีผู้ใดตื่นอยู่มีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานและพองใสพิจารณาธรรมะอยู่โดยชอบโดยกาละอันควร ผู้นั้นมีสมาธิเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นแล้วพึงกาจัดความมืดเสียได้เพราะเหตุนั้นแลภิกสุพึงคบธรรมะเครื่องเป็นผู้ตื่นภิกสุผู้มีความเพียรมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนมีปกติได้ฌานตัดกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ด้วยชาติและชราได้แล้วพึงถูกต้องยานอันเป็นเครื่องตรัสรู้อย่างยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้แล นะครับคือถ้าประพฤติปฏิบัติตามนี้อรยิยมรรคได้อย่างในชาตินี้แน่นอนอางนั้นเพระองค์รับรองเลยนะครับบทว่าเยสุตาเตปุชทะนะครับเธอทั้งหลายเหล่าใดผู้หลับคือเข้าถึงความหลับด้วยการนอนหลับตามที่กล่าวแล้วนะหลับอะไรครับ หลับด้วยอวิชชาหลับด้วยความประมาทเป็นต้นเนี่ยนะเธอเหล่านั้นจงยึดอินทรีย์นะครับให้ตื่นนะตื่นและเจริญอินทรีย์ห้าคือศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเจริญพระคือศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเจริญโพชฌงนะครับให้ยึดเอาโพชฌงนะสติสัมโพชฌงธรรม ว, วิรยะสัมโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปีติปสัสสธิสมาธิ และอุเบขาสัมโพชฌงด้วยการประกอบความเพียรแล้วเธอจงภาคเพียร น, นะภากเพียรแล้วถือเอาสัทธาวิริยสติสมาธิถืออวินศีพร ะ, ละและโพชฌงให้เกิดขึ้นขวนขวายในวิปัสสนาจงตื่นจากหลับนั้นด้วยการปฏิบัติความไม่ประมาทิดนะครับโอ้เนี่ยนะโอ้ตื่นของพระพุทธเจา้าเนี่ตื่นจริงๆนะครับอีกอย่างหนึ่งบทว่าชาคารันตาคือเป็นนิมิตแห่งความเพียรเป็นเครื่องตื่นบทว่าเอตังในบทว่า สุนาเทตังนี้ท่านได้กล่าวไว้แล้วถามว่าคํานั้นคืออะไรตอบว่าพระผู้มีพระภาคจะเจ้าตรัสว่าเยสุตาเตประพุชถะเธอเราได้หลับเธอเหล่านั้นจงตื่นตื่นขึ้นตื่นตื่นนี่นะมันเวลาเราซึมซึมอะไรว่าตื่นตืนเถะนนึกถึงพุทธพจน์นี้ก็ได้นะเอาพุทธพจน์สูตรนี้ไปท่องเลยนะท่องไว้เลยท่องว่างไงครับเธอทั้งหลายตื่นอยู่จงฟังคํานี้เธอเราได้ผู้หลับแล้วเธอเหล่านั้นจงตื่นเนี่ยนะครับ เอาสูตรนี้ไปท่องไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปท่องเหมือนกันนะครับว่าความเป็นผู้ตื่นจากความหลับเป็นคุณประเสริฐเหมือนกันเภัยย่อมไม่มีแก่ผู้ตื่นอยู่ผู้ใดตื่นอยู่มีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นเบิกบานผ่องใสพิจารณาธรรมะโดยชอบโดยกาละอันควรนะรแล้วก็ผู้นั้นเป็นผู้มีสมาธิเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นพึงกําจัดความมืดเสียได้นะครับงั้นกะ็ไปท่องไว้นะครับดีนะ เวลาซึมๆเซ่อเเงื้งงื้งอะไรก็เอาข่าวนี้มาท่องเลยตื้นๆโอนะครับดีนะถ้าซึมๆมแล้วเดินอยู่นะครับถ้าไปขับรถเนี่ยนะครับถ้าไปเป็นคนขับรถโดยสารอะไรครับประชาชนตายเตี้ยงหมดนะครับไอ้ถ้าซึมๆึเซ่อเอเนี่ยนะครับถ้าเราโอ้โหเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณและซึมซึมเซ่อเซเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นเลยนะนะครับพุทธบริษัทในสายนั้นน่าจะใกล้วิบัติเต็มทีแล้วล่ะ ในบทเหล่านั้นบอกว่าเ yeah, ยสุตาได้แก่เธอเหล่าได้หลับแล้วด้วยการนอนหลับคือกิเลสเธอเหล่านั้นจงตื่นด้วยการตรัสรู้อริยมรรคบทว่าสุตาชาคติยังเสยโยนี้เป็นคํากล่าวถึงเหตุแห่งการตรัสรู้เพราะความเป็นผู้ตื่นคือการตื่นมีประการดังกล่าวแล้วจากการหลับดังกล่าวแล้วเป็นคุณประเสริฐคือน่าสรรเสริญนําประโยชน์สุขมาให้แก่กุลบุตรผู้ไขประโยชน์ ฉะนั้นเธอทั้งหลายจงตื่นบทว่านัติชาคารโตพยังนี้เป็นการแสดงถึงความเป็นผู้ตื่นนั้นนะครับคือถ้าตื่นแล้วก็พ้นจากภัยนะครับด้วยว่าผู้ใดเป็นผู้ตื่นประกอบด้วยธรรมะเป็นเครื่องตือนมีศรัทธาเป็นต้นย่อมตื่นคือไม่เท่าไม่เข้าถึงความหลับคือความประมาทวัตถภัยแม้ทั้งหมดนะครับภายในวัตตะนะภายในวัตตะมีอะไรบ้างครับเช่นอัตตวานุวาทภัยติเตียนตัวเองนะครับ ตัวเราเองติเตียนตัวเองโดยศีลเป็นต้นได้หรือไม่นะครับอันนั้นถ้าหากว่าติเตียนได้ก็ไม่ดีนะครับแล้วก็พ้นปรานุวาทพายผู้รู้ไข้ควรแล้วติเตียนเรานะครับหรือทำทพายโทษนะครับเช่นโทษถ้าเป็นมนุษย์ก็เป็นไงครับถูกจับถูกเคี่ยนถูกตีถูกด่าเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือว่าทุกขติภัยนะครับการตกนรกเป็นต้นเนี่ยนะอันมีชาติเป็นต้นเป็นนิมิตนะครับคือหมายความว่าวัตภัยทั้งหมดที่ว่านี่นะครับ อาศัยความเป็นผู้เกิดนะครับเมื่อเกิดแล้วก็ติเตียนตนเองได้ผู้อื่นติเตียนมีทุกมีโทษแม้กระทั่งเข้าถึงทุกคติแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ตื่นนะมีศรัทธาไม่หลับแบบนี้เนี่ยนะครับก็พ้นจากภายัยหรือว่าภัยทั้งหมดมีชาติเป็นต้นก็ไม่มีแก่ผู้นั้นนะครับถ้าปฏิบัติได้ตามนั้นบทว่ากาเลละได้ไดแก่โดยกาละแห่งอาวาสสปายะอันตนได้แล้ว สถานที่นี่นับว่าสำคัญมากนะครับเอามาส ป, ปายะไปอยู่ในที่ไม่ส ป, ปายะตื่นก็ฟุ้งตายเลยนะครับบางแห่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้น พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เป็นพระภิกษุนะครับชีพจรลงเท้าไปมาลายวัดกันแล้วเนี่ยนะครับน่าจะแยกแยกออกนะว่าตรงไหนส ป, ปายะตรงไหนไม่ส ป, ปายะวัดไหนส ป, ปายะวัดไหนไม่ส ป, ปายะบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วคนไหนส ป, ปายะคนไหนไม่สปายะเกี่ <ๆ S 1> ยวข้องใครแล้วเปอร์เซ็นต์อบายสูงเกี่ยวข้องใครแล้วเปอร์เซ็นต์สุขติสูงเป็นต้นเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับใครแล้วเปอร์เซ็นต์นิพพานสูงเนี่ยก็พิจารณาเอานะครับแยกแยะส ป, ปายละเหล่านี้ไม่ออกก็ ไม่คู่ควรแกการตรัสรู้ธรรมนะครับพราะนะครับเพราะมงคลข้อหนึ่งก็สอบตกแล้วนะครับบทว่าสัมมาธรรมมังปริวีมังสมาโนความว่าพิจารณาโดยรอบคือเห็นแจ้งโดยอาการทั้งปวงเออเนี่ยนะปริวีมังสมาโอ น, นะครับหมายว่าพิจารณาต้องพิจารณาแบบรอบจริงๆเลยนะครับวิมังสาเนี่ยแปลว่าการพิจารณาใช่ไหมครับนะพิจารณาต้องเอาแค่ไหนครับปรินะครับโดยรอบนะครับ ามวมารอบแค่ไหนครับโดยประการที่ความเบื่อหน่ายและความคลายความกำหนัดเป็นต้นย่อมเกิดด้วยการรู้ธรรมะอันเป็นไปในภูมิ3อันเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนาโดยชอบอันนะครับว่าปริวีมังสมาโนนี่นะครับที่บอกว่าพิจารณาธรรมะทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยรอบแล้วก็โดยถูกต้องเนี่ยนะ ก็ต้องพิจารณาโดยสัมมสนญญานใคร่ครวรสัมมสนญญานนะครับโดยทุกแง่ทุกมุมอย่างบริบูรณ์จนนะครับนิพพิธานุปัสสนาแล้วก็วิราคานุปัสสนานิโรธานุปัสสนาปฏินิสักคานุปัสสนาที่จะเกิดขึ้นรู้ธรรมะอันเป็นไปในภูมิ3ามนะครับดว้วยอำนาจวิปัสสนาทั้งหลายเหล่านี้นั่นเองนะครับภูมิสเนีก็การมาภูมิรู ป, ปรภูมิมารู ป, ปรภูมิไงครับ บทว่าเอโกที่สมาธิความว่าเพราะมีสมาธิอันเป็นธรรมะเอกคือประเสริฐที่สุดผุดขึ้นชื่อว่าเอโกที่ผูโตเพราะมีสมาธิอันเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นพึ่งเห็นคํามันเป็นบทแหง่งภูตศัพท์ในบทนี้ว่าดุจบทแห่งสาวะอักขิอาหิตาทินะไฟถูกจุดแล้วอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าเอโกที่ผูโตเพราะเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นคือถึงแล้ว ในบทว่าเอโกที่นี้ท่านประสงค์เอาสมาธิอันเลิศนะครับก็ในบทว่าสมาหิโตนี้ได้แก่วิปัสนาสมาธิพร้อมด้วยสมาธิอันมีฌานเป็นบาทหมายคือว่าเอาทั้งฌานที่เอาฌานนะครับฌานนี้ก็เรียกว่าสมาธิอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อาศัยฌานที่เป็นบาทนั้นเจริญวิปัสนาสมาธินะครับเรียกว่าสมาหิตโตสมาธิเนี่ยเอาทั้งสมาธิที่เป็นสมถะและสมาธิที่สัมปยุทธ์ด้วยวิปัสนาด้วยนะครับ อีกอย่างหนึ่งบทว่ากาเลนะโดยกาละแทงตลอดมักบทว่าสัมมาธรร ม, มังปริวีมังสมาโนได้แก่พิจารณาจตุสัจธรรมโอ้โหไม่ธรรมดานะด้วยปริญญาพิสมัยนะครับเป็นต้นนะครับคือทุกสัตริ์นี้ก็ต้องพิจารณาด้วยปริญญาอยู่แล้วนะครับสมุทัยสัตว์นะครับต้องเป็นป harma าาพิสมัยนิโรศสัตว์ก็ต้องเป็นสัตว์ฉิตริยาพิสมัยนะครับมรรคสัตว์ก็ต้องเป็นภาวนาพิสมัยนะครับ พิสมัยนี้แปลว่าการตรัสรู้นะครับอริยสัจธรรมนั้นทุกสัจี้ตรัสรู้ด้วยปริญญานะครับสมุทัทยสัจตรัสรู้ด้วยการละนิโรสัจตรัสรู้ด้วยการทําให้แจ้งมรรสสัจตรัสรู้ด้วยภาวนาและก็เป็นตรัสรู้เป็นเอโกพิสมัยด้วยนะครับแปลงแทงตลอดในขณะเดียวกันด้วยนะครับว่าไม่ธรรมดานะเอโกที่ตรงนี้เนี่ยลึกซึ้งมาก น, นะหรือว่าสัมมาธรรมังปริวีมังสมานนี่นะครับ ต้องขณะแทงตลอดอริยสัจโ น, นนะครับบทว่าเอกทิผูโตได้แก่ชื่อว่าเอกทิเพราะเป็นธรรมะเอกคือไม่มีธรรมะร่วมผุดขึ้นคือทำรรกิจสให้สําเร็จคือตั้งไว้ชอบถามว่าธทรำรกิจ4คืออะไรครับนี่แหละครับทำรรกิจคือกําหนดรู้ทุกละสมุทยัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญมรรคนะครับธรรมะนั้นเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นนะครับบทที่เหลือก็เช่นในก่อนบทว่าวิหเน มังโซได้แก่พผ้าริยาสาวกผู้เป็นอยู่อย่างนี้พึงกําจัดคือพึงตัดความมืดเขื่อวิชาด้วยอรหัตมรกโดยไม่เหลือนะถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ก็ละอวิชาได้จริงๆแล้วครับนะคิดไหมหนึงหนึ่งโอ้าษาอินบ ท, ท่านปฏิบัติตามนี้จริงๆนะครับท่านทําได้อ่ะพระโมคคัลลานะท่านก็ทําตามนี้ได้ พ, ออนนพาาาระอานุนพระมหากัสปะพระอนุรุทธพาาาานะพระมาหากัจเยนะพระมหากปินะเนี่ยท่านปฏิบัติตามคําสอนเหล่านี้ได้หมดเลยนะครับ ไม่ใช่บอกโอ้พูดเป็นคําพูดลอยล ม, ลมเพลินๆแหม่สานวนหลึกซึ้งฟังแล้วใครจะไปทําได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคําสอนเหล่านี้มีผู้ทําได้นะครับอนาถมินิกะก็ทําได้นะครับอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะว่าอนาถมินิกะก็เป็นพระโสดาบานันนางวิสาขาก็ทําได้นะครับนางวิสาขาทําได้ตั้งแต่เจ็ดขวบด้วยสังกิจจาสัมมนเนนก็ทําได้ตั้งแต่เจ็ดขวบนะครับโสปากะสัมมนเนน ส, สุขสุขะสัมมนเนนนะครับ บัณฑิตสา ม, มนเณรทั้งหลายเป็นต้นก็เขาก็ปฏิบัติทําได้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ทําไม่ได้นะครับแต่ทีนี้ว่าเรามีบุญยังทําไม่ได้นะครับแต่มีคนอื่นเขาทําได้ผู้ที่ปฏิบัติตามได้อย่างนี้เรานับถือว่าเขาเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาเป็นผู้ครัวกันนะ ทักอะหุไนโย ο, ปาหุไนโย ο, ทักขินไนโย ο, อัญชลีกรณีโย ο, อย่างน้อยที่สุดเราได้อัญเชลีกรณียโยก็อย่างดีนะครับเด็กราบได้ไหว้ท่านนะไหว้อ ย, ยังไงครับไหวโดยการตามและลึกนึกถึงคุณของท่านที่ปฏิบัติตามคําสอนรู้แจ้งแทงตลอดธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วแล้วก็ธรรมะเหล่านี้ก็ดีจริงๆนะครับเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติตามนี้แล้วพ้นจากชาติภัยเป็นต้นแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมะนี้นี่นะครับ ผู้เป็นสัตธรรมราชาธรรมสามีเป็นต้นเนี่ยผมก็เจ๋วจริงๆนะครับสา ม, มารถที่บำเพ็ญบารมีมาแสดงคำสอนเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็โหยังไงยังไงก็ให้มีคนดีๆอย่างนี้เป็นที่พึ่งก็ยังดีนะครับ พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงสแสดงความที่การปฏิบัติไม่เป็นโมฆะด้วยประการชนี้แล้วบัทนี้ทรงชี้ชวนให้มั่นคงในข้อนั้นจึงตัดคาถาสุดท้ายว่าตัสมาหาเวดังนี้ในบทเหล่านั้นบทว่าตัสมาความว่าเพราะการเจริญสมถะและวิปัสสนาของผู้ตื่นอยู่ด้วยการไม่อยู่ปราศจากสติเป็นต้นย่อมถึงความบริบูรณ์อริยมรรย่อมปรากฏโดยลําดับถามว่าอริยมรปรากฏโดยลําดับมรยังไงครับ อรหัตตมรรคเกิดโดยลำดับของอนาคามีมรรคอนาคามีมรรคเกิดโดยลำดับแห่งสกะธาคามีมรรคนะครับลำดับในที่นี้ไม่ใช่อนันตระปัจจัยนะครับหมายถึงว่าลำดับที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยนะครับอนาคามีมรรคเกิดโดยลำดับของสกะธาคาหมีมรรคสกะธาคามีมรรคเกิดโดยลำดับโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิมรรคก็เกิดโดยลำดับของของอะไรครับ วิสุทธิคือปฏิปทายานทัศนวิสุทธิปฏิปทายานทัศนวิสุทธิก็เกิดโดยลําดับมัคคามคคยานทัศนวิสุทธิมัคคามคคายานทัศนวิสุทธิก็เกิดโดยลําดับของกังขาวิตรณวิสุทธิกังขาวิตรนาวิสุทธิก็เกิดโดยลําดับของทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิก็เกิดโดยลําดับของจิตตวิสุทธิจิตตวิสุทธิก็เกิดโดยลําดับของอะไรครับ สีลวิสุทธิสีแลวิสุทธิก็เกิดโดยลำดับของความเป็นผงหูสูตรเป็นต้นนะครับความเป็นผงหูสูตก็เกิดโดยลำดับการคบสัตบุรุษเป็นต้นนั่นเองนะครับก็คือเนื่องจากมีศรัทธาในพระรัตนตรัยนะครับพระรัตนตรัยนะครับช่วยให้เกิดการประพฤติการปฏิบตัติตามลำดับอย่างที่กล่าวไปแล้วนี้บทว่าพระเชทะแปลว่าพึาพงคบอธิบายว่าพิสุคบธรรมะเป็นเครื่องตื่นอยู่อย่างนี้และประกอบด้วยคุณ มีความเป็นผู้มีความเพียรเป็นต้นทำลายสังโยชน์พึงถูกต้องคือพึงบรรลุสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมได้แก่ยานอันเป็นผลเลิศนะครับสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมนี้นะครับเป็นชื่อของอรหัตผลนะครับถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ก็จะทําลายสังโยชน์เครื่องผูกอะไรครับสังโยชนี้ผูกอะไรครับผูกผูกไว้ในผูกสัตว์เอาไว้ในวัตตผูกพบต่อพบผูกชาติต่อชาติผูกกาเนิดต่อกําเนิดผูกคติต่อคตินะครับผูกอา่า คติไปเป็นในในคตินะครับแปล ว, ว่าไม่ให้มันพ้นจากสิ่งเราเนี่ยนะแต่ถ้าปฏิบัติได้ตามนี้ก็จะทำลายสังโยชน์เครื่องพุกเอาไว้ในว่าตะอันนี้ได้อย่างเด็ดขาดนะครับมาฟังสูตรใหม่ดูสิครับอปตายจะสูตรถ้าไม่ปฏิบัติตามนี้แล้วจะเป็นยังไงฟังเรื่องชาติยานยน์แต่นั่งง่วงครับไมบรรลุจุดหมายปลายทางเลยนะนะครับในอุปนิสัยก็ยังดีนะครับเห็นไหย